มาตราช่างการตวงรู้ได้แต่ขนาดเช่นข้าวสารกับทรายตวงด้วยทนานกองเท่ากันการกำหนดรู้น้ำหนักต้องใช้ช่างมาตรานี้สาหรับกาหนดประมาณของที่มีขนาดไม่เท่ากันเช่นโลหะต่างๆแต่ในบัตรนี้สินค้าอื่นก็ใช้ช่างเหมือนกันน้ำหนักนั้นเข้าใจว่า จับเอามาสกหรือมาศคือเมล็ดถั่วหรือเมล็ดมะกล่ำตาช้างเป็นหลักในวิธีกระจายเทียบมะกล่ำตาหนูและเข้าเปลือกต่อไปอีกมาตราสำหรับใช้ช่างของอื่นจากทองเงินมีรูปดังนี้สีเมล็ดเข้าเปลือกเป็นหนึ่งกุญชาในวงเล็บกล่อมสองกุญชา เป็นหนึ่งมาศในวงเล็บกล่อมามาศเป็นสองอักคะแปดอัคขะเป็นหนึ่งเทรณะสิบทารณะเป็นหนึ่งปลละร้อยปลละเป็นหนึ่งตุลายี่สิบตุลาเป็นหนึ่งภาระมาตราสำหรับใช้ชั่างทองเงิน อันมิใยรูปียะมีรูปดังนี้สี่เมล็ดเข้าเปลือกเป็นหนึ่งกุณชาสองกุณชาเป็นหนึ่งมาศก5้ามาศกเป็นสองอัคขะ8ปดอัคขะเป็นหนึ่งทารณะ5้าทารณะเป็นหนึ่งสุวรรณะ5าสุวัรณะเป็นหนึ่งนิคะ เข้าใจว่าทองเงินที่ทำเป็นลิ่มกําหนดหนักนิกขะหนึ่งข้อนี้จึงทำให้สงวนว่านิขะสาบนั้นเป็นชื่อน้ำหนักบ้างแปลว่าลิ่มบ้างมาตรานี้ไม่ยุ่งเหมือนมาตราอื่นเป็นแต่ต้องรู้จักแยกมาตราช่างของอื่นและมาตราช่างทองเงินเท่านั้นแต่อย่างไรพระอาจารย์ทั้งหลายจึงเข้าใจต่างกันไป ในตอนว่าห้ามาศกเป็นหนึ่งอักขะจะโทษว่าคาถาที่แสดงเรียงไว้ไม่แจ่มก็ไม่ได้เผอิญเข้าใจต่างไปเองความเข้าใจของข้าพเจ้าถูกกับของท่านอาจารย์ผู้รตนาคำภีสังคยาปกาส ก, กะ